ตายตายเป็นงานชิ้นสุดท้ายของคนทุกคนในชั่วชีวิตหนึ่งนี้ไม่ว่าใครจะทางานอะไรมากี่ร้อยกี่พันอย่างแล้วก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องทำงานชิ้นนี้คือทำงานตายผมจะนำท่านผู้ฟังเข้าศึกษาและพิจารณารายละเอียดของงานชิ้นนี้พอสมควรและใกล้จะเรียนให้ทราบไว้ล่วงหน้าว่า แ, แก้ทุกเพราะเรื่องตายไม่มีวิธีใดดีกว่าเรารู้เรื่องตายให้มากๆตอนอะไรตายก่อนตอบปัญหาข้อนี้ขอทบทวนความจำให้ท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยผมเคยบรรยายมาไม่น้อยกว่าหนึ่งหรือสองครั้งในหลักที่ว่าตัวเรานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนร่างกายกับส่วนจิตใจพอพูดย่อๆว่ากายกับใจสองอย่างนี้รวมกันอยู่จึงเรียกว่าคนถ้าแยกกันตัวไปอยู่ทางหนึ่งใจไปอยู่ทางหนึ่งก็ไม่ใช่คนมีแต่ตัวเขาเรียกว่าศพมีแต่ใจเราเรียกว่าผีไม่ใช่คนทั้งนั้น ความเหล่านี้เคยว่ามาแล้วตั้งแต่ปาทกถาเรื่องจิตที่ท่านจะฟังเรื่องตายต่อไปก็ได้โปรดคำนึงถึงส่วนประกอบทั้งสองนั้นไว้ด้วยที่ว่าเราพูดกันว่าคนตายคนตายหนะ่ะอะไรตายตัวตายหรือใจตายหวังว่าทุกท่านคงตอบถูกที่ว่าคนตายคนตายนั้นร่างกายมันตายไม่ใช่ใจตาย เอากันง่ายๆร่างกายเปรียบเหมือนเรือนใจเหมือนคนอยู่ในเรือนเมื่อเรือนผุพังซ่อมไม่ไหวแล้วคนก็หนีออกจากเรือนไปไม่ใช่ว่าบ้านพังแล้วคนก็พังด้วยไม่ใช่อย่างนั้นการตายก็เหมือนกันร่างกายมันตายไม่ใช่ใจตายถ้าท่านผู้ฟังได้หยิบหนังสือปาตกะถาเรื่องจิตขึ้นอ่านเสียอีกครั้ง จะทำให้เข้าใจดีขึ้นเอาเป็นเสร็จปัญหาไปเปราะหนึ่งคือคนเราคนหนึ่งหนึ่งมีส่วนประกอบอยู่สองส่วนเวลามันตายตายไปส่วนเดียวคือส่วนร่างกายเพราะฉะนั้นที่จะพูดกันต่อไปก็ว่ากันเฉพาะส่วนที่มันตายนี้ตอนทำไมจึงตาย ความจริงการตายไม่ใช่ปรากฏการพิเศษไม่ใช่ของแปลกสำหรับโลกเพราะคนในโลกนี้ที่ตายแล้วมากกว่าที่ยังไม่ตายไม่รู้ว่ากี่ล้านเท่าร่างกายของคนเรามันเป็นของผสมไม่ใช่ธาตุบริสุทธิ์แต่เป็นของผสมขึ้นจากธาตุหลายอย่างรวมกันของที่ใช้ผสมก็เป็นของสดๆเปียกๆเสียทั้งนั้น ตารางกายนี้สร้างขึ้นด้วยธาตุอย่างเดียวความทนทานของมันก็คงจะมีมากกว่านี้แน่ยิ่งเป็นธาตุชนิดแห้งๆเหมือนอย่างทองเหลืองทองแดงที่หล่ออนุสวรีความทนทานก็ยิ่งจะมากขึ้นธาต่ผสมกันเป็นตัวคนเรานี้ธาตุใหญ่ๆคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลม ธาตเหล่านี้รวมกันเข้าสมส่วนจึงเป็นคนตัวคนเหล่านี้พระเรียกว่ากายเช่นคำว่าร่างกายที่เราใช้กันดื่นอยู่นั้นคำว่ากายแปลว่าหมู่หรือกลุ่มคนหลายๆคนรวมกันเราเรียกว่านิกายที่ท่านเรียกตัวเราว่ากายก็หมายความว่า เป็นกลุ่มที่รวมของธาตุนั่นเองทีนี้การรวมกันของธาตุต่างชนิดนั้นเป็นการผนึกกฎธรรมดาของธาตุเพราะตามธรรมดาของธาตุมันต้องแยกกันอยู่ไม่ใช่รวมกันแม้แต่การรวมกันของกลุ่มธาตที่ผสมแล้วก็อยู่ในกฎนี้อย่างเช่นท่านทั้งหลายที่มานั่งรวมกันอยู่ในห้องประชุมนี้นี่ก็ฝืนกฎธรรมดาเหมือนกัน ประเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าสู่กฎธรรมดาคือต่างคนต่างแยกกันไปจะนั่งรวมกันอย่างนี้ตั้งปีตั้งชาติไม่ได้เพราะปิดกฎแม้ท่าต่างๆที่มารวมกันเป็นร่างกายนี้ก็เหมือนกันตลอดเวลาที่มันรวมกันเป็นตัวเราอยู่นี้เป็นการฝืนกฎธรรมดาของมันแท้ๆหลวงได้ฝืนแล้วก็อยู่ไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเอง นานๆเข้าก็ฝืนไม่ไหวต้องแยกกันออกรถยนต์ทุกคันที่วิ่งไปมาอยู่เต็มถนนนั้นเขาก็เอาเครื่องคราต่างๆมารวมกันไว้เครื่องเหล่านั้นมันจะได้รวมกันอยู่ด้วยความสมัครใจก็หาไม่มันก็อยากแยกกันออกนี่พูดอย่างมันมีใจแต่มันยังแยกออกไม่ได้เพราะถูกยึดไว้ด้วยน็อตบ้าง ถูกเหนียวไว้ด้วยเกลียวบ้างถ้ามันมีใจเหมือนคนเราก็พูดได้เลยว่ามันต้องถูกบังคับใจให้รวมกันอยู่ถ้าอยากรู้ว่ามันอยากจะอยู่หรืออยากไปแน่ก็ลองถอดน็อตเสียคลายเกลียวให้หมดทุกแห่งให้เขาเลือกทางอยู่ทางไปเองโดยเสียรีลองดูสิรับรองว่าไม่กี่วันเจ้าพวกล้อพวกแบตเตอรี่ และอะไรอะไรต่างๆคงหายหัวไปหมดอย่างน้อยก็แยกกันออกจากที่ที่มันถูกคุมไว้เดิมบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่ก็เหมือนกันที่มันยังเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้ก็เพราะส่วนประกอบต่างๆถูกคุมไว้ถูกบังคับไว้ให้รวมกันอยู่เขาเอาตะปูตอกไว้บ้างเอาลิ่มสลักไว้บ้างเอาตอกมัดไว้บ้างมันจึงอยู่ ลองตัดตอบชักลิ่มถอดตะปูออกให้หมดสิมันก็ไปของมันเหมือนกันธาติรวมกันเป็นตัวเรามันก็ตกอยู่ในกฎของธาตุเหมือนเครื่องรถเครื่องเรือนนั่นแหละคือต้องแยกกันออกที่ธาตุประกอบในตัวเราแยกกันออกนี่แหละเราเรียกว่าตายคือเป็นการแยกกันออกตามกำหนดเวลาของมัน พระท่านใช้คำว่าการกิริยาซึ่งแปลอย่างตรงตัวว่าการกระทําตามเวลาคำนี้ได้ความชัดเจนในทางปฏิบัติคือหมายความว่าร่างกายมันเป็นไปตามการเวลาของมันไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรเลยแต่เพราะข้าที่เราไม่ชอบไม่อยากให้มันทําตามเวลาของมันพอได้ยินคําว่าตาย มันให้รู้สึกบาดหูบาดใจเป็นกำลังว่าจริงจริถ้าต่างต่างไม่ได้สูญไปจากโลกที่ว่าตายก็เพียงมันย้ายที่อยู่ใหม่เท่านั้นเองไก่ในเล้าบ้านโน้นหายไปตัวหนึ่งแต่มันก็ไปเพิ่มที่ตลาดสดตัวหนึ่งหายไปจากตลาดสดมันก็ไปเพิ่มอยู่ในตะกร้าจากตลาดออกจากตะกระ้าก็ลงไปอยู่ในเขียง หายจากเขียงขึ้นไปอยู่บนเตาจนกระทั่งหายจากครัวขึ้นไปอยู่บนโต๊ะอาหารหายจากโต๊ะอาหารก็แยกย้ายกันไปเข้าท้องคนนั้นนิดคนนี้หน่อยคิดต่อไปเองก็แล้วกันเรื่องของวัตถุธาตุไม่มีอะไรหายไปจากโลกแม้แต่เอาไฟเผาแล้วก็กลายเป็นขี้เถ้าเป็นควันเป็นขมเหลตกอยู่ในโลกนี้เอง ที่เราว่าคนนั้นตายคนนี้ตายก็เป็นเรื่องการย้ายที่อยู่เหมือนกันกับไก่ตัวที่ว่ามาแล้วคนหายไปจากบ้านหนึ่งคนก็ไปเพิ่มอยู่วัดมากุฏหนึ่งคนอะไรอย่างนี้แหละถ่ายเทกันไปมาอย่างเช่นเวลานี้ผมหายจากบ้านคนที่บ้านผมก็ลดลงหนึ่งคนแต่ก็มาเพิ่มอยู่ที่นี่หนึ่งคนสักประเดี๋ยก็หายจากที่นี่ ไปเพิ่มที่อื่นอีกคอยดูก็แล้วกันตอนมรณะทุกข์ทีนี้ที่ว่าตายเป็นทุกข์หนะทุกอย่างไรทุกตรงไหนเรามีแต่กลัวรวมๆไม่ได้ซอยลงไปให้แน่นอนว่ามันทุกตรงไหนแน่มันก็เลยทุกข์เอามากๆ แต่ถ้าหาจุดที่มันเกิดทุกข์จริงๆแล้วก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกับคนกลัวเสือเพราะเอ่ยชื่อว่าเสือก็กลัวเหมาหมดทั้งตัวเสือเลยที่จริงถ้าคนเข้าไปดูว่าที่ว่าเสื อ, อร้ายๆน่ะมันร้ายตรงไหนแน่เราก็จะเห็นจุดร้ายของมันเหลือน้อยลงเพราะเสือที่ว่าร้ายนั้นหางมันก็ไม่ร้ายขนก็ไม่ร้าย หนังก็ไม่ร้ายตาหูมันก็ไม่ร้ายหลายพาดกลอนมันก็ไม่ร้ายความร้ายมันอยู่ตรงที่ปากกับเท้าเท่านั้นแม้ที่ว่าปากมันร้ายจุดร้ายจริงๆก็อยู่ตรงที่เขี้ยวที่ฟันของมันเท่านั้นและที่ว่าขามันร้ายก็ร้ายตรงอุ้งเล็บของมันเท่านั้นนี่แหละเสือตัวเท่ามา้า แต่พิเคราะห์กันให้ถึงที่สุดแล้วก็มีจุดร้ายอยู่จะไม่ถึงหนึ่งตารางฟุตเสียด้วยซ้ำเรื่องทุกข์เพราะตายก็เหมือนกันถ้าดูกันให้ละเอียดแล้วจุดทุกข์จริงๆก็จะน้อยลงวันนี้ลองมาทำใจดีๆดูเสือกันสักทีผมเคยสนทนาสอบถามหลายท่านหลายคนทีเดียว คนเหล่านั้นเป็นผู้อยู่ในการศึกษาหลายชั้นในอาชีพต่างๆกันและในตำแหน่งที่สูงสุดถึงรัฐมนตรีแต่พลทหารถึงชั้นนายพลและแต่สามนเณรน้อยถึงบราชาคณะผู้ใหญ่ทราบเสียงดูว่าที่ว่าตายเป็นทุกข์เป็นทุกขนะ์เนี่ยใครเห็นอย่างไรสรุปความเห็นลงแล้วก็ปรากฏว่า บางคนว่าทุกข์เพราะกลัวจะตายบางคนว่าทุกข์เพราะกลัวจะเจ็บก่อนตายบางคนว่าทุกข์เพราะเป็นห่วงคนข้างหลังบางคนว่าทุกข์เพราะไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนรวมเป็นสี่ความเห็นถ้าเป็นอย่างนี้คำว่ามรณะทุกขก็ยังแกว่งแกว่งประเภทที่ว่ากลัวจะตายนี่หมายความว่ากลัวเหมาแบบกลัวเสือทั้งตัว อย่างที่ว่ามาแล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าตัวยังไม่ตายหรือตายยังไม่มาถึงตัวแต่กลัวล่วงหน้าไว้เลยทุกคนทุกแบบนี้น่าสงสารเพราะทุกมากและทุกนานยิ่งอายุยืนมากก็ยิ่งทุกมากคือทุกจนกว่าจะตายนั่นแหละพวกที่ว่าทุกเพราะกลัวเจ็บก่อนตายนี่ไม่ตรงประเด็น เพราะไม่ใช่เรื่องทุกข์เพราะตายแต่เป็นเรื่องทุกข์เพราะเจ็บเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากพวกที่ว่าทุกข์เพราะเป็นห่วงคนข้างหลังดูยิ่งทุกข์ห่างจากตัวออกไปอีกกลายเป็นทุกข์เรื่องคนอื่นไปเสียแล้วส่วนพวกที่ว่าทุกข์เพราะกลัวว่าตายแล้วไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนนี่ก็ทุกข์เลยตายไปเสียอีกแทนที่จะทุกข์เพราะเรื่องตาย กลายเป็นทุกข์เพราะปัญหาเรื่องเกิดเอาละสิหนักเขา้าเลยจะหาที่ทุกข์ไม่เจอท่านผู้ฟังหละ่ะลองคิดดูหน่อยสิว่าท่านควรจะทุกข์ตรงจุดไหนคิดเข้ามากๆชักลุ่มใจหาที่จะทุกข์ไม่เจอไม่รู้ว่าจะทุกข์ตรงไหนการที่หาทำเลที่จะทุกข์ไม่เจอนี่แหละช่วยทําให้ความทุกข์ในใจน้อยลงไปแยะ ทุกวันนี้เราเล่นกลัวแบบคลุมถุงมันลยแย่ตอนจุดตายเมื่อคนที่จะทุกข์ไม่พบเช่นนี้เรามาลองย้อนกลับไปทางเดิมเสียอีกหน่อยบางทีจะพอเจอบ้างกระมังคือไปคิดถึงอาการที่เรียกว่าตายอีกทีที่ว่าตายตายเอาขนาดไหนเป็นเกณฑ์ ว่าทางฝ่ายวัตถุฝ่ายโลกก็ดูกันหลายชั้นชาวบ้านตัวตัวไปกำหนดเอาลมหายใจถ้าไม่หายใจแล้วก็เรียกว่าตายยังจะถามถึงเวลาตายของใครของใครคนโบราณมักจะถามถึงว่าสิ้นลมเมื่อไหร่ซึ่งหมายถึงเวลาตายผู้มีความรู้ความชำนาญกว่านั้นใช้จับดูตัว ถ้าตัวยังมีความอบอุ่นแม้ซนลมแล้วก็ยังถือว่าไม่ตายแท้อาจฟื้นได้อีกและก็เคยมีตัวอย่างอยู่มากแพทย์ปัจจุบันถือชีพจรเป็นเครื่องกำหนดทางศาสนาถ้ามุ่งถึงทางร่างกายตามกำหนดด้วยระณนะหรือปราณก็ได้แก่ลมหายใจนั่นเองเช่น ให้สินข้อที่ว่าปาณาติปาตาเวรมณีก็แปลว่าเจตนาเว้นจากการทำสัตว์ที่มีปาณนะให้ตกล่วงไปถือเอาความว่าเว้นจากฆ่าสัตว์นี่พูดถึงทางร่างกายทีนี้ถ้าพูดทั้งกายทั้งใจรวมกันจุดที่เรียกว่ามรณะแท้ๆอยู่ที่ว่า จิตออกจากร่างกายตรงที่จิตตัดขาดจากร่างเดิมนั่นแหละถือว่ามรณะถ้าจะเปรียบกับคนทิ้งเรือนก็คงได้แก่ตอนกระโดดออกพ้นจากเรือนนั่นเองมรณะหรือตายที่เรากลัวกันมากจนเป็นทุกข์เป็นร้อนนั้นก็คือขณะจิตเดียวเท่านั้นปั๊บเดียว ตรงขนาดจิตขาดจากร่างกายเท่านั้นเองขนาดจิตตอนนี้แป๊บเดียวจนไม่สามารถจะกำหนดด้วยมาดเวลาอาจเป็นหนึ่งในล้านของวินาทีก็ได้อาการอื่นใดที่เกิดก่อนขณะ น, นี้ก็เป็นเรื่องก่อนตายและอาการใดๆที่เกิดหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องหลังตายโปรดนึกถึงความดับของไฟสมมติว่า เราจุดเทียนไขไว้เล่มหนึ่งสว่างจ้ามาเรื่อยๆแล้วดับปุ๊บลงตอนนั้นไปไม่มีแสงสว่างถ้าจะถามว่าความดับของเทียนอยู่ตรงจุดไหนหรือขณะไหนเราก็ตอบว่าตรงขณะที่แสงไฟมันขาดปั๊บลงนั่นเองแสงไฟที่มีมาก่อนนั้นก็เป็นอาการก่อนดับตัวดับจริงๆคือตรงขณะ ตัวต่อระหว่างสว่างกับมืดเท่านั้นซึ่งเป็นอาการที่ใช้เวลาปรากฏตัวเพียงประมาณหนึ่งในพันของวินาทีก็จะไม่ถึงขณะ จ, จิตที่เป็นมรณะจริงๆก็เหมือนความดับของไฟนั่นเองไม่มากมายอะไรเลยงานที่เรากลัวมาเป็นเวลาสิบสิบปีนั้นเอาเข้าจริงเราใช้เวลาทำเพียงไม่ถึงหนึ่งวินาทีด้วยซ้ำเอาล่ะ เราเจอจุดตายจริงๆเขาแล้วที่เรียกว่ามรณะซึ่งมุ่งถึงอาการทางจิตทีนี้ลองวิเคราะห์กันดูอีกทีว่าขณะที่เกิดอาการซึ่งใช้เวลาเพียงหนึ่งในล้านของวินาทีนั้นอาการของจิตเป็นอย่างไรบางทีมรณะทุกมันจะซุกอยู่ตรงจุดนี้กระมังตอน อาการของจิตในขณะตายแม้จะรู้ว่าความตายจริงๆคือจุดนี้ผมก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าขณะจิตสุดท้ายของคนที่ตายมีอารมณ์อย่างไรแน่เพราะเป็นเรื่องลึกลับมากไม่มีตำราหรือบันทึกของคนที่เคยเข้าถึงจุดนี้มาแล้วที่มีก็เป็นเรื่องคนเป็นบันทึกแทนคนตาย ซึ่งเป็นเพียงการคาดคะเนเอาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ส่วนคนตายก็ตายไปเสียแล้วมาเล่าให้ใครฟังไม่ได้หมดทางติดต่อกันเด็ดขาดเลยเสียดายจริงๆหันมาดูตำราก็รู้สึกว่ากล่าวไว้รวบรัดเกินไปเช่นในคัมภีร์วิสุทธิมรักษ์ภาค3าหน้าส3สา ก็อธิบายไว้แต่เพียงว่ามโนวิญญาณธาตุมีอกุศลวิบากเป็นเหตุถือเอากำนิมิตหรือคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เฉพาะหน้าในเวลาตายเป็นอารมณ์แล้วเป็นไปด้วยอำนาจปฏิสนธิดังนี้เป็นต้นซึ่งยังไม่ได้ไรายละเอียดความรู้สึกทางเวทนาว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ผู้ที่เขียนไว้ก็ดี ผู้ที่กำลังพูดก็ดีล้วนแต่คนไม่เคยตายด้วยกันทั้งนั้นยังพอจะพึ่งได้อยู่อีกพวกหนึ่งคือพวกค่าตัวตายแล้วถูกแก้ไขให้ฟื้นเพราะว่าก่อนจะตายมีเวลาเตรียมตัวเสร็จแล้วก็ยังฟื้นมาเล่าให้ฟังได้แม้จะถือว่ายังไม่ตายแท้ก็นับว่าเหยียบแดนตายมาแล้ว ผมคิดว่าถ้าทางสมาคมได้เชิญคนประเภทนี้มาแสดงปาฐกถาดูบ้างโดยให้หัวเรื่องเกี่ยวกับจุดตรงนี้เช่นจะใช้ชื่อว่าเรื่องเหยียบแดนตายหรือเรื่องผมพบกับตายอะไรก็แล้วแต่คงได้ประโยชน์มากแต่กลัวจะหาคนแสดงยากเพราะคนที่ชอบค่าตัวตายมักจะไม่ชอบปฐาฐกถา และคนที่ชอบปาทกถาอย่างผมนี้ก็เกิดไม่ชอบฆ่าตัวตายเสียอีกและคนที่เคยทำอัตวินิบาตแล้วมักจะถือว่าเป็นการกระทำที่น่าอับอายไม่กล้าเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือถ้าท่านผู้ใดรู้จักกับคนที่เคยฆ่าตัวตายมาแล้วกรุณาช่วยแนะนำไปหาผมที่บ้านด้วยเจ้าขอบคุณมาก แต่ทั้งนี้ต้องการพบเฉพาะคนที่ฟื้นแล้วนะที่ตายแล้วไม่ฟื้นอย่าไปพบเป็นอันขาดผมเองจะว่าไม่เคยตายทีเดียวก็ไม่ใช่เคยตายมาบ้างเหมือนกันคือเคยถูกรถชนแล้วสลบไปชั่วครู่ให ญ, ใหญ่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ความอะไรแปลกๆพอที่จะนำมาเล่าให้ฟังถ้าจะทดลองดูอีกครั้งก็กลัวว่าจะไม่ฟื้น เลยจะไม่มีใครแสดงปาฏกถาต่อตกลงว่าขณะจิตเวลาตายยังคงเป็นเรื่องลึกหลับอยู่